นึกไม่ออกหน้าว่า <c oughs> จะเรียนอะไรกัน <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่มี <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะเราไปปลุกขึ้นมาเองทั้งหมดแหละโลกนี้โดยตัวของมันน้ว่างเปล่าไม่มีอะไรถ้าเราเข้าใจเราจะทําเป็นอันเดียวกันนะเห็นไหมโลกนี้ไม่มีอะไรว่างตัวเราก็ไม่มี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 คะเลของภพกับะทะเลของอวิชชาเรียกว่าภาวะโอค่ะกัอวิชชาโอค่ะโอค่ะคือ พ, พอภพคืออวิชชาพวงน้ำภพคืออะไรภพคือการทํางานของจิตสัง เ, เกตไหมพวกเราภาวนาเห็นไหมจิตทํางานทั้งวันทั้งคืนมุนจีจีจทั้งวันทั้งคืน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 พระพุทธเจ้าท่านก็เลยใช้เอาง่ายๆอะนิพพานังปรมังสุขังโคตรสุขเลยบรมมาสุขเลยไม่รู้จะใช้คำอะไรแล้วใช้คําว่าปรมังสุขังบรมมาสุขเลยความสุขของโลกโลกที่พวกเรารู้สึกนะรู้จักกันความสุขรุ่มรุ่มดันดันสุขสุขดิบดิบเป็นความสุขร้อนร้อนสุขสุขเผ็ดเผ็ดนอะเผ็ดร้อนรุนแรงสุขชั่วครั้งชั่วคราวได้มาแล้วก็เสียไป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 เรือหลวงพ่อลำเล็กนะหลวงพ่อเป็นเรือบดลำเล็กๆเอาตัวรอดเท่านั้นแหละทายตุ๊ป่องตุ๊ป่องข้ามทะเลของหลวงพ่อเอาเองพวกเราก็ต้องหาเรือของเราเองนะสิ่งที่จะเป็นเรือให้พวกเราคือทำนั่นแหละทำอะไรบ้างนะสติสมาธิปัญญานั่นแหละสติสัมมาสมาธิปัญญาหรือสัมมาสติสัมมาสมาธิสา ม, มาทิจิต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 คำโลกไม่ได้แปลว่าโลกข้างนอกนี้นะคำว่าโลกในทางศาสนาพุทธนี่คือขันห้านั่นเองคือรูปกัะ น, นามคือกายกระใจเร่านี้งที่เรียกว่าโลก เ, เลยมีคำาโลกนี้ใช่ยาวาอะไรนานาคืบกว้างสอกอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อต้องหลายสอกหน่อยเนี่ยโลกสิ่งที่ท่านเรียกว่าโลกก็คือกายกระใจ น, นั่นเอง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 เฮงมันจะเฮงอะไรนักหนามันเฮงให้คนทําขายนั่นแหละว่าไงคุณวนว่าไงมันจะรบกวนหลวงพ่อช่วยเข็นควายอีกรอบนึงได้ไหมคะเมื่อกี้หลวงพ่อพูดตรงที่แบบว่าเพระองค์ที่ถามว่ามัจจุราชไม่เห็นใช่ไหมคะเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กําลังจะวนให้อีกรอบนึหลวงพ่อก็จบอะค่ะหลวงพ่อมามาโผลให้หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเออจะเห็นโลกอย่างนี้ได้ในว่างเปล่าได้ต้อง ต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงก่อนแล้วหลวงพ่อ<ม>ทํำท่าจะต่ออีกรอบหลวงพ่อหยุดนะออหยุดเพราะว่าพูดไปหมดแล้วได้เห็นโลกตามความเป็นจริงเขาต้องมีสติไงใช่นะกำลังจะวนอีกรอบวนก็กะรออีกรอบมีสติมีสัมมาส ม, มาธินะไม่ใช่เทปนะไดนะนะ้วนไปวนมาจบแล้วจบเลยใครฟังเอาเองมีซีดีเยอะแยะเดี๋ยววันนี้ให้โยเอาไปลงนะ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 เพาตอนที่หลงเนี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่เพ่งมันไม่ใช่อกุศลนะเพ่งนะจิตมันพยายามทำกุศลมันอยากปฏิบัติทำเพราะงั้นพอสติเกิด น, นะจิตที่เพ่งอยู่ไม่จำเป็นต้องดับแต่จิตที่เผลอเนี่ยเป็นอกุศลทันทีที่สติเกิด น, นะจะดับทันทีคนละสไตล์กันอันหนึ่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเหลอไปเนี่ยอันนึงเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศ ล, ล, นนาศลการเพ่งไว